พระธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สองเมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าเมืม่อหลงกายก็หลงทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่สอง เมษายนพุทธศักราช2556พระลูกพระหลานนักศึกษาแพทย์มหิดลเข้ามาบวชแต่เข้ามาก่อนบวชก็อาทิตย์แล้วก็บวชวันที่24มีนาคมวันนี้ก็เป็นวันที่สองถ้านับดูก็เป็นเวลา10วันที่พวกเราเข้ามาบวช ให้ลูกหลานทบทวนอยู่ทุกวันนะลูกหลานนะพระนักศึกษานะถ้าเราไม่ทบทวนเราจะลืมตัวว่าเราบวดเข้ามาเน้นเราได้อะไรบ้างถ้าเราไม่ย้อนดูหลังเราก็จะไม่รู้ว่ามันกี่วันแล้วพวกเรามีเวลาจํากัด วอดเพียงเดือนกว่าๆเอามาอยู่วัดเพียงเดือนกว่าๆให้ชีวิตในช่วงที่ว่าเดือนกว่าเนี่ให้มีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งกระทั่งนะว่าจําไม่ลืมลพวกเราอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีต่อไปภายภาคหน้าแต่ช่วงชีวิตที่หนึ่งเดือนกว่าเนี่ย ไม่กี่วันเ ร, เราลมึกเราจําไม่ลืมอยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นค้าว่าจําไม่ลืมคำนี้นะ่ะไม่ใช่ว่าเราทําความชั่วช้าเสียหายในพระพุทธศาสนาเรือว่าทำให้ตัวเองมีความทุกข์กตําลลำบากอย่างสุดๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถึงจะทุกข์กรําำลำบากทางร่างกายก็จริงแต่ว่าทางจิตใจของเราเนี่ยปลอด ปลอดโปร่งโล่งมีความสุขสุขใจสรุปแล้วก็คือให้มีความสุขใจในขณะที่เราบวชอย่าไปให้ที่ว่าคับแค้นแน่นใจมีแต่ความทุกข์ทรมโดยที่มีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะ มีแต่ความโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจเหยียบย่าจิตใจของเราอยู่ตลอดไปลังเวลาจนหาความปลอดโปร่งและหาความสุขไม่ได้ไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราบวชเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสที่ท่านได้บอกที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ให้พวกเราหาทางออก ให้กับตนเองการออกของตนเองนั่นคืออะไรการออกของตนเองก็คือสมาธิพยายามทำจิตใจหลบปลีกออกจากอารมณ์ต่างๆที่มันมาลงมาตุ่มเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่ปับันนี้เราก็ามาบวชเราจะพยายามให้อารมณ์เป็นหนึ่ง จะพยายามให้อารมณ์เป็นหนึ่งไม่ให้มีอารมณ์เป็นสองคือไม่ให้คิดปุงฟุ้งไปทางอื่นไม่ต้องเอาทางโลกมาคิดในขณะที่เราบวชเป็นนักพรตนักปวชอยู่นี่ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นหรือว่าธรรมโมสังโฆก็สุดแท้แต่หรือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้จะไม่บริกรรมอะไรก็ได้แต่ตามไม่จริงก็น่าจะบริกรรม ว่าการบริกรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านได้ผลมาแล้วพวกเราก็น่าจะเดินตามแนวแถวที่ท่านได้ผลมาแล้วเหมือนกับท่านที่เคยขุดทองตรงไหนท่านได้ทองคําเป็นกอบเป็นกำเป็นเศรษฐีต่อหน้าต่อตาพวกเราแล้วพวกเรายังเมินเฉยว่าเรายังไปหาขุดตรงที่เสี่ยงอีกล่ะ เราไปขุดเสี่ยงหาที่อื่นอีกไปนูอ้อไม่นู้ที่ไหนขุดภูผาป่าไม้ไปเลยทั้งที่เขาบอกว่าตรงเนี้เป็นบ่อเงินบ่อทองบ่อทองคาที่ท่านขุดแล้วได้ผลก็เราก็น่าจะขุดตามที่ท่านได้ผลมาแล้วเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาคนคว้า ทาาว่าเราไม่เชื่อเราก็ตรงนั้นอย่างที่ว่าน่ดนเดาไปเรื่อยผลที่สุดก็เลยบวชเข้ามาทั้งทีก็เลยเปล่าประโยชน์เพราะอะไรเพราะไม่เจอแหล่งเงินแหล่งทองนี้ก็เหมือนกันอยากจะให้พวกเราทุกๆคนทุกๆองค์บวชเข้ามาแล้วให้ปฏิบัติ ต, ตามแนวแถวที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงปู่ลงตาที่ท่านผ่านไปแล้วท่านปฏิบัติมาเห็นผลแล้วท่านแนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นอย่างอง์หลวงตามหาบัวแต่ก่อนท่านก็เรียนหนังสือประยัติ ธ, ธรรมให้เป็นมหาได้เป็นมหาบัวหลวงตาของเราพอต่อมาท่านก็ได้ฟังทำคำสอน ที่ด้านในศึกษาในพุทธประวัติท่านของบริกรรมกําหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกแต่บางครั้งมันก็สงบได้แต่บางครั้งมันก็ทะเลถลายเข้าเข้าออกออกสรุปก็คือผีเข้าผีออกมันไม่อยู่อมันไม่ตายตัวมันไม่เนี่งเท่าที่ควร เวลาบทจะเสื่อมมันก็เสื่อมได้ไง่ายๆเวลามันจะสงบอมกระโโกสงบได้แต่พอมาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าให้มีคำบริกรรมด้วยนะให้มีคำบริกรรมด้วยไม่ใช่จะตไม่ใช่จะจะ ก, กำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นให้มีคำบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีพุทธโถด้วย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจจิตใจของเราจะจ้ยึดพุทโธด้วยไม่ใช่แต่ดูตกลมหายใจเข้าออกเข้าออกเท่านั้นตอนนี้ลงตาท่านก่อนยึดตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นที่ท่านพระอาจารย์ท่านสอนท่านก็บังคับใจตัวเองบังคับตึงเขวีว้ยงฟังสิไม่ใช่ดูธรรมดาเลยบังคับใจของตนเอง ที่มันเคยคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นให้มันอยู่กับพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเวลานั่งเวลาเดินขาขวาขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโธมีสติสัมปชัญญะในทุกริยาบทท่านบอกว่าวันแรกที่วันตั้งสัจจะด้ว่าข้าพเจ้าจะให้อยู่กับ กรรมฐานแล้วให้อยู่กับทุกขริยบทในการเคลื่อนไหววันแรกรู้สึกว่าเป็นกเป็นร้อนอย่างมากหนักมากเนะพราะบังคับจิตให้อยู่กับกรรมฐานไม่เชื่อเรื่องเบาๆนะการงานอย่างอื่นเราเคยทํามาที่จะบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเนี่ยหนักกว่านั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเราก็ฟังเอาไวา้จากนั้นก็ภาวนา วันแรกรู้สึกว่านักวันที่สองก็หนักวันที่สามเข้ามารู้สึกว่ารู้จักทางไปทางมารู้จักทางหนีทีไรพะวันที่สี่รู้สึกว่าจิตใจเขาสู่ความสงบได้จากนั้นจึงเข้าสงบมันเรื่อยเรื่อยเื่อ ย, อยจนอยู่ตัวจนนึกในใจว่าตักแต่บัตรนี้ไปต่อนี้ไป ใจของเราคงไม่เสื่อมจิตใจของเราคงเป็นสมาธิได้เพราะเราอยู่กับกรรมฐานรู้สึกอยู่ตลอดคงไม่เสื่อมอันนี้แหละก็คือแนวทางแก่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่องค์อื่นๆท่านก็ยึดตามแนวแถวนี้เหมือนกันแต่ท่านไม่ได้พูดชัดอย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านพูดให้ กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่บวชเข้ามาในครั้งนี้คราวนี้พระลูกพระหลานทั้งหลายให้ภาวนาให้ยึดกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวจากนั้นก็เรื่องอดนอนผ่อนอาหารเราก็ทดลองดูอย่างที่หลวงพ่อเคยพูด ว่าใครก็ตามที่มาอยู่วัดป่านาคำน้อยเนะี่ยไม่ทดลองอดอาหารเนะี่ยแต่ว่ายังไ ม, ไม่ไม่เคยอยู่วัดป่านาคำน้อยทำไมหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อเคยเป็นพระน้อยพระหนุ่มแล้วก็เคยอดนอนผ่อนอาหารผ่อนอาหารก็เคยผ่อนชั้นน้อยแล้วก็ภาวนาเป็นยังไงชั้นเต็มอิม่มภาวนาเป็นยังไงอดอาหาร ภาวนาเป็นยังไงอดนอนภาวนาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องค้นคว้าต้องศึกษาต้องเรียนรู้เหมือนกับเราาะแสวงหาทรัพย์เราสาะแสวงหาทรัพย์อย่างนี้เป็นไงผลกําไรเป็นอย่างไรเราทําอย่างนี้ผลกําไรเป็นอย่างไรถ้าเราได้อ ไม่เน่งอยู่ดูดายอยู่จุดใดจุดหนึ่งเราพยายามหาช่องหาทางของเราอยู่อีกสักวันหนึ่งผลจะต้องออกมาในทางที่ดีเพราะเรามีความพยายามมีความตั้งใจมั่นที่จะทำจิตใจให้สงบหรือให้รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้านี่แหละอันนี้ก็คือเรา ต้องสังเกตตัวเองแต่ตามไมจริงทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านกระตัสเอาไว้ว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําตึงเกินไปท่านก็ว่าอัตตกิลมัถาเข้าฝ่ายเป็นการทรมานร่างกายให้ลาบากเปล่าเรีอยอัตตกิลมัถาถ้าหากว่าเราย่อหย่อนเกินไป วกวากรมมุขันเลกาถ้าว่าเราเดินสายกลางเรื่ว่ามัชชิมาปฏิปทาคคำว่าตึงก็ดีหย่อนก็ดีสายกลางก็ดีเราจะเอาอะไรเอาอะไรมาวัดเอาอะไรขนาดไหนที่จะมาวัดกับตนเองเพราะนั้นตัวเองต้องรู้ตัวเองว่าขนาดไหนจริงจะพอหมด เราต้องทดสอบทดลองตนเองถ้าเราทานอาหารมากๆเวลาเราภาวนาไปยังไงมีแต่ความงูก่วงมีแต่ความง่วงเหงาเหานอนนั่งทีแรกก็หลับหัวทิ่มเอียงเหมือนกับคอจะหักยังไงหลับถ้าเป็นลักษณะนั้นเราต้องทดลองดูเราทานอาหารมากเกินไปหรือเปล่าพอ หนังท้องตึงหนังตาหย่อนฮะหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงอันนี้ก็สังเกตแต่ถ้าว่าเราอดอาหารโอ้ไม่ได้มันหิวกระวนกระวาใจจะขาดอันนี้เราก็ไม่ได้เราต้องพรอนอาหารเลยสิเป็นยังไงไม่ถึงกับอดสิ่งเ่านี้แล้วอดนอนเสิเป็นยังไงไม่นอนอธิษฐานไม่นอนตรอดทั้งคืนด้วยตั้งสัจจะ เราจะเดินจงกรมทั้งคืนดูสิเป็นยังไงหรือเราจะนั่งภาวนาทั้งคืนดูสิเป็นยังไงแต่ว่าการอดอาหารหลวงพ่อเองก็เคยบอกกล่าวแนะนําลูกหลานทุกรุ่นแล้วก็พระเนใ น, นวัดของหลวงพ่อด้วยการอดอาหารอย่าไปตั้งสัจจะนะลูกหลานเพราะการตั้งสัจจะนี่ยถ้าเราจะอดอาหารสามวันสี่วันห้าวันหรือสองวันอย่างนี้เท่าไรก็ได้ แต่ถ้าเราตั้งสัจจะคือบางครั้งใจของเราเนี่ยภาวนานี่มันเหมือนกับเราพยายามจับพวกสัตว์สารายสิงวัวควายเออลิงอย่างเนี้ยมามัดมันก็โดดจะตอดไปลำเวลามันไม่ยอมอยู่เราก็ต้องปล่อยอ่าปล่อยเชื่อให้มันยาวๆหน่อยจากนั้นมาก็พอมัน ถอยถอยเข้าที่รองกลับมาอีกสู้สู้อีกทดลองเลยสิมันเป็นยังไงมันจะประยองพองตัวไหมคือบางครั้งหลวงพ่อเคยทดลองดูแล้วถ้าบางครั้งเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเหมือนกับเราไม่เคยภาวนามาก่อนเยมันสู้มันสู้ครูวะงี้ยมันกิเลสมันมันสู้ความสัจจกของเราเนี่ผลสุดเราก็ต้องต้องยอมถอยซะก่อน เอามันไม่ลงคราวนี่ต้องปล่อยสักวันอีกวันสองสว้วนจับมาอีกสู้อีกเนียสู้คราวที่สองเนี่ยมันจะไม่เหมือนคราวที่แรกนะจ๊เนี่ยมันเห็นลิศเห็นลายเห็นเรื่องราวแลนะเออเห็นน็อกเลยท๊เนี่ยเนี่ยจู่มันจู่ยู่เลยจ๊ะเนียนั่นแหละเราจะต้องสังเกตตนเองในการภาวนาแต่ถึงยังไงก็อย่ า, อ ย, าอย่าตั้งสัจจะถ้าตั้งสัจจะแล้วบางครั้ง มันไม่เอามันเอามันไม่ลงจับมันไม่ได้จับมันไม่อยู่ะมันก็เหมือนจะเป็นบ้าเป็นบอเพราะจะเราจะมาฉันก็ไม่ได้เพราะมันขาดชัดเจนอันนี้กันอันนี้เราก็ต้องปล่อยมันก่อนเราก็ต้องมาฉันก่อนแต่ในใจของเราเอาเถอะอข่าวนี้ข่าแพ้แต่ต่อไปน่ะข่าจะต้องดูมันอีกว่ามันจะมาเลี่ยมเลี่ยมไหนอีกนะนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาการปฏิบัติ ให้สังเกตตนเองทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นแหละเมื่อเร า, าภาวนาเราสังเกตตนเองแล้วเราจะรู้ได้เราจะเอาเข้าสู่ความสงบได้ในเมื่อเราบริกรรมอยู่ในคําบริกรรมจากนั้นจิตใจของเราใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วจะได้กระนันนะ้พยายามเดินทางวิปัสสนาอะไรวิปัสสนาวิปัสสนะ นึกคิดพิจารณาคลี่คลายดูร่างกายสังขารอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้นี่อายังโคเมกาโย ο, กายของเรานี่แหละมีอะไรบ้างแต่ว่าการพิจารณาแพทย์หมอแนวความคิดของหมอที่พิจารณาเรื่องววจสุขภาพกายหรื่องว่าดูกาย วิภาคอย่างนี้นมันไม่เหมือนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่มองอีกมุมมองหนึ่งนะแต่นักแพทย์นักการแพทย์ทั้งหลายมองอีกมุมมองหนึ่งนะมองคนละมุมมองนะคือแพทย์มองร่างกายตับทําหน้าที่อะไรผลิตเลือดอะไรกันกรองเลือดอะไรอทําให้ เลือดเสียทําให้เลือดดียังไงหัวใจสูบฉีดเลือดอยังไงปอดมีหน้าที่อะไรไตทําหน้าที่อะไรแต่ละอวัยวะอันนี้คือแพทย์ต้องศึกษาในส่วนร่างกายผิวหนังมีหน้าที่อะไรขนมีหน้าที่อย่างยังไงมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเชลในร่างกายมันมีกี่อย่างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ การศึกษาการเรียนรู้ของแพทย์ของหมอแต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พัน ไ, ไม่ให้มองอย่างแพทย์อย่างหมอมองท่านมองว่ากายร่างกายสังขารของเราเนี่ยเกษาผมโลมา ข, ขนนาขารเล็บทันตาฟันตโจหนังมังสางเนื้อเอ็นกระดูกอย่างที่พวกเราไร่เรียงเมื่อกี้เนี่ยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายสังขาร เป็นอสุภะเป็นของไม่สวยงามเป็นของไม่จิรังทาวรเป็นของที่จะต้องอีกสักวันหนึ่งถึงจะเราจะทนุถนอมเลี้ยงดูดีขนาดไหนทานอาหารให้ครบหมู่ห้าขนาดไหนปุนปืดดีขนาดไหนอาหารจะบริโภคทกคาจะดีขนาดไหน ร่างกายที่ก็ยังแก่เจ็บตายในที่สุดไม่เชื่อเลี้ยงเท่าไหลไม่เชื่อเลี้ยงร่างกายถึงจะหาผ้าหม่มผ้านุห่ห่มดีขนาดไรราคาสูงขนาดไหนก็เอามาเถดถึงจะยาดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนยาพิเศษขนาดไหนเอามาให้ร่างกายร่างกายก็เท่านั้นเพียงแต่ประทังอยู่นิดหน่อย ถึงจะสร้างบ้านเรือนหรูหราโออาอำนวยความสะดวกขนาดไหนให้ร่างกายอยู่ร่างกายนีนกะเท่านั้นก็อยู่ก็มีความสุขในระดับหนึ่งอีกสักวันหนึ่งก็แก่เจ็บตายผลที่สุดก่อนจะต้องไปตามสภาพของมันอันนี้คือพัทธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้พวกอริยสาวกทั้งหลายพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมอง พิจารณาว่าร่างกายสังขารนี่ทึงจะเลี่ยงดีขนาดไหนร่างกายนี่ยยังเป็นอื่นอยู่เสมอยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะแล้วไอ้พิจารณาดูมันหลงอะไรใจของของเราในหลงอะไรแต่ทางวิชาการแพทย์การหมอเขาก็บอกว่าในร่างกายของเราคือมีสมองคือตัวนึกคิดใช้สมอง การกรองดูเรื่องต่างๆแต่ในหลักของพระศาสนาท่านมองว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองในตัวของเราเนี่ยรูปประธรรมรูปประธรรมและนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายที่เรามองเหตุอวัยวะทุกส่วนทั้งภายนอกภายในอันนี้ว่ารูปประธรรมส่วนนามธรรมนั่นคือความนึกคิดคื่อใจ ใช่มันอยู่ในสมองจริงแต่สมองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมของใจให้เข้าใจมาใช้คอมพิวเตอร์อย่บนศรีรษะของเราสั่งการสั่งไปแขนสั่งไปมือสั่งไปหัวแข่งไปขาไปหูไปตา เ, เพราะสมองขึ้นมาอยู่ในสมองมันสั่งออกไปเหมือนกับเครื่องรถคอมพิวเตอร์อยู่ในเครื่องรถ พอเราเข้าไปขับรถเราก็ต้องกดจะให้มันไปยังไงจะให้มันบอกอะไรบอกเรื่องน้ำมันบอกกิโลหลักกิโลบอกระยะทางมันจะไปทางไหนอันนี้รถคันนั้นก็ไปตามที่ที่เราอยากอยากจะรู้อันนี้ก็เหมือนกันสมองอยู่ที่ศีรษะของเราเนี่ยคือใจใจเป็นผู้ รับรู้ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้บ่งการใจเป็นผู้มาใช้มันแต่บางคนทำไมใช้มันไม่เหมือนกันเพราะบางครั้งสมองของเราได้รับการกระทบกระเทือนมันก็เป็นบุญกรรมว่าชนาบา ร, รมีอีกเหมือนกันถ้าหากว่าผู้ใดสมองดีมีปัญญาแปลว่าคนนั้นมีบุญในอดีตมาอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายนี่ก็สมบูรณ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสมองก็ดีเพราะเหตุใดเพราะบุญวาจนาบา ร, รมีเก่าแล้วก็วิญญาณคือใจเข้ามาครองก็เป็นวิญญาณที่มีบุญมาคล้องกร่างกายร่างกายก็สมบูรณ์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าวิญญาณไม่มีบุญได้เคยทำบาปกรรมไว้ในอดีต ใครเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนพอมาได้ร่างกายในร่างกายนี่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเหตุใดเพราะว่าใจตัวนั้นใจดวงนั้นไปทำกรรมชั่วไว้ในอดีตพอมาได้ร่างกายนร่างกายนี่ก็ทุพพลภาพเพราะวิบา ก, กรรมในอดีตที่ใจได้ทำไว้แล้ว อันนี้ก็คือทานโยงใจไปถึงกรรมคือการกระทาเหมือนกันทตนี้นเมื่อเรามีใจกับกายกายกับใจใจของเราน่มาใช้สมองมาบังคับมาบอกให้ทําอะไรตาไปเห็นรูปแล้วก็ส่งเข้ามาหาใจไปเห็นรูปที่ไม่ดีไปเห็นรูปที่แสดงอกับกิริยาเป็นอริศัตรูครับเรา ใจของเราก็ไม่คล้ายๆว่ามันคิดต่อสู้ไม่สบายใจนะให้เขาจะจัดการยังไงในเมื่อหูได้ยินเสียงเขาด่าเราเราก็ไม่สบายใจขึ้นมา แ, แต่เขายกย่องสนรเสริญขึ้นมาเราก็มีความสุขขึ้นมาส่งขึ้นมาหาใจทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิน้นทั้งกายส่งเข้ามาหาใจสรุปแล้วก็คือใจเป็นเป็นผู้รับเรื่องต่างๆ ของในวิญญาณทั้งห้าเนะี่ยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายแต่ตอนนี้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงดมกลิ่นริมรสสัมผัสทางกายผลในสุดใจของเราเนะี่ยตัวผู้รู้หรือนามธรรมของเราตัวนี้นะลุ่มหลงแล้วนะอนนีอมันติดติดในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายผลที่สุดก่อเนะี่ยให้ความสำคัญในตัวเอง ว่าตัวเองเนี่ยเป็น เ, เรื่องสําคัญกายในยสําคัญมากทีไหนเมื่อเมื่อหลงกายตนเองแล้ว<ม>ก็หลงเรื่องอื่นอีกทีไหนหลงกายของคนอื่นหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงเงินคําทรัพย์สมบัติหลงไปหมดทีไหนเพราะมันหลงกายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณากาย กายานุปัสนาสติปัฐานให้พิจารณากายร่างกายของเรานไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนั่นจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายของเราเนะี่ยมีธาตุสี่ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุดินคือกระดูกส่วนของแข็งนะผมกระดูกฟันเนีย่ยนี่ว่าธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำ เหงื่อน้ำปัสสาวะน้ำเลือดแบบเพศของเหลวในร่างกายของเราตัวธาตุน้ำธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมดันขึ้นเบังบนลงบังล่า ง, างอันนี้เรียกว่าธาตุลมธาตุไฟก็คือทําให้ร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยอันนี้ก็คือธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเรา เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาทนาัานว่าร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟประกอบกันะสมกันจากนั้นก็นมามธรรมคือใจเข้ามาครองพอมาครองร่างกายกัหลงร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราคิดว่าร่างกายนี่จะไม่แตกไม่ตายแต่ตามไม่จริงมีแต่ความคิดเฉย ร่างกายนี่จะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไปอีกสักวันหนึ่งเเมื่อเราไม่หลงร่างกายเท่นีหรในเมื่อใจของเราเนี่มีธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนเรื่องสมาธิอย่างเนี่ยใจของเราก็ฝึกหัดเรื่องสมาธเิเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง จิตใจเน่งสงบรวมลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเทีไรร่างกายกับใจใจกับร่างกายมันเห็นได้ชัดเลยท่ร่างกายเหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบอยู่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งท่ากี่หนร่างกายเหมือนกับรถใจของเราเหมือนกับคนขับรถนี่แหละมันรู้ดูดูชัดได้ถึงขนาดนั้นแต่ใจของเรามั น, มนอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในความรู้สึกของร่างกายทั้งหมด จะว่าอยู่ในสมองก็ใช่จะว่าได้หัวใจก็ใช่จะว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่เพราะมันอยู่ในร่างกายของเราการเคลื่อนไหวของร่างกายของเรามันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายนี่แหละใจของเราอยู่อยู่ในความรู้สึกนั้ น, น, นในเมื่อเราพิจารณาภาวนาเมื่อทำจิตใจให้สงบกาหนดลมหายใจเข้าพุทายใจออกโทพุธโธพุโธจิตใจของ ของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจ เ, เห็นได้ชัดจากนั้นก็นําใจมาพิจารณาร่างกายอย่าไปหลงร่างกายนะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะนต้องแต่ตายสลายลงสู่ที่น้ําลมไฟแน่นะนามธรรมานะใจนะให้รู้แจ้งเห็นจริงเอาไว้นะเดี๋ยวนี้ที่เราเวียนไหวตายเกิดในวัฏะสงสารเพราะอะไรเพราะกิเลสราคะ โทสะโมหะเพราะความหลงเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจึงหลงนี่แหละใ น, นเมื่อเราพิจารณาทำพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วนะเราจะรู้ได้แต่ถึงยังไงก็เถอะที่พวกเรามาบวชในคราวนี้เดือนกว่าๆนะหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นหนึ่ง เพียงแค่นี้ได้สักครั้งหนึ่งพวกเราก็จะจําไม่ลืมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าพวกเราได้ริ้มรถพระธรรมที่เราได้ประพุทปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอนพวกเราจะยกมุนไหวกราบเคารพคารวะพระพุทธเจ้า อยู่ในใจิตในใจของพวกเราโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยค้นคว้าศึกษาได้ยังไงที่ทำให้จิตใจสงบและมีความสุขจริงๆเนี่ยพวกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อตามตำรับตำราไม่ใช่เชื่อคนพูดมาแล้วก็เชื่อกันไปไม่ใช่มันเชื่ออยู่ในจิตในใจของพวกเราเชื่อในความรู้สึกของพวกเราเชื่อในใจของพวกเราที่พระพุทธเจ้าสอน เหมือนกับพระองค์บอกว่าเอออันนี้รสอร่อยนะแต่เราก็ยังไม่ได้ทานแต่พอเราท้าได้ทานเท่านั้นล่ะโอ้โหใช่รสอร่อยจริงๆริงสนี้นะที่พระพุทธเจ้าท่านผ่านไปแล้วท่านจึงแนะนาสั่งสอนพวกเราพระขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายนะให้ภาวนามาบวชทั้งทีในคราวนี้ครั้งนี้ให้เอาจริงเอาจังเรื่องพูดคุยกันสนทนาการเอาไว้ทีหลัง อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะพูดคุยกันยังไงก็ได้แต่ในขณะที่มาบวดเนี่ยให้ศึกษาธรรมะให้ฟังพอฟังเสร็จแล้วก็ดูหนังสือบ้างให้ฟังบ้างพยายามภาวนานะบังคับตนเองให้มานั่งภาวนานั่งให้มากเดินให้มากนั่งให้มากให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะี่แ สรุปแล้วก็คือให้สติอยู่กับตนเองให้กรรมฐานภาวนากรรมฐานให้อยู่กับตนเองให้มากที่สุดอันนั้นเลิศประเสรนะิฐถึงจะเดินอยู่โงมนั่งภาวนานใจของเราลอยไปที่อื่นเลื่อนไปลอยมาเออระเหยลอยลมไปเรื่อยถึงจะนั่งนานเดินนานก็เท่านั้นแหละเพราะมันไม่ถูกจุดแต่ถ้าว่าเราบังคับ ให้สติอยู่กับตนเองอยู่ตลอดอันนั้นเราจะเห็นผลไม่นานความสงบก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราไม่นานเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนั่นละ่ะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเอ๊ะมันจิตสงบมันเป็นยังไงหลวงพ่อเหมือนกับเราทานอาหารเมื่อเราทานอาหารอิมนะ่มแล้วเราไม่ต้องถามการอิ่มอาหารเป็นยังไงหลวงพ่อเราไม่ต้องถาม จะรู้ได้ด้วยตนเองนี่ก็เหมือนกันถ้าเราทำจิตใจให้สงบจิตใจใสงบเป็นยังไงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในเมื่อจิตสงบนะะตอนนี้ไปนั่งสมาธิฟังนะ